อาจารย์แห่งจิตหลงปุ่มั่นภริทัตโตพระอาจารย์มั่นภริทัตโตมีคุณสมบัติอันประเสริฐของท่านคือมีนิสัยพูดจริงทำจริงมีความภาพเพียรอย่างยอดยิ่งไม่ลดละท้อถอยตลอดชีวิตการเป็นนักบวชอันยาวนานห้าสิบแปดพรรษามีความตั้งมั่นอย่างเด็ดเดียวที่จะซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่อง เพื่อก้าวผลโลกให้สู่แดนว่างแห่งการรอดปลอดจากทุกข์อันเป็นแดนสุขอย่างเลือดประเสริฐยิ่งนั่นคือแดนพระนิพพานพระอาจารย์มั่นพริทัโตเกิดบัมพรุหัสบดีเดือนยี่สีม่แมตรงกับวันที่ยี่สิบมกราคมปีพุทธศักราชสอง3สิสที่บ้านคำบงอำเภอของเทียมจังหวัดอุบอนราชธานี พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีอำนาจมาัะจันทางจิตได้แก่ทิพยจักสุหรือมีตาทิพและเจโตปริยญยานคือรู้วาระจิตใจผู้อื่นท่านรู้เห็นได้อย่างรวดเร็วแผ่คลุมไปทั่วว้างขวางมากอย่างไม่มีขอบเขตอันเกิดจากผลของการบําเพ็ญภาวนาอย่างเคร่งครัดยิ่งยวดจนบรรลุธรรมยิเศษ มันเป็นธรรมที่ผลโลกอยู่เหนือโลกและไม่ถูกจำกัดโดยการเวลาด้วยประการทั้งปวงมีเรื่องเกี่ยวกับอำนาจอันมหัศจรรย์ทางศิ ข, ของท่านพระอาจารย์มั่นพุริทัตโตเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องลี้ลับน่าพิจารณาและน่าสงสัยอยู่มากสำหรับเราท่านผูตุชนผู้ยังติดข้องอยู่ในข่ายแห่งความสงสัย ไม่เชื่ออะไรที่พิสดารเอาง่ายๆท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัรรมปันโนเล่าว่าสมัยเมื่อพระอาจารย์มั่นธริทัตโตพักอยู่วัดบ้านหนองผือตํงบลนาในาอําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบ้านหนองผือนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาทั้งสี่ด้านมีป่าเขามากไปรอดแดนกลาสิน์เป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระทุดงกรรมฐาน ในสมัยนั้นบัณนปลายชีวิตของท่านพระอาจารย์มัน่นมีอุบาจิกานุ่งขาวห่วมขาวคนหนึง่งมีความเคารพเลื่อมใสในพระอาจารย์มั่นมากมาเล่าเรื่องของตัวเองถวายท่านว่าขณะที่อุบาจิกานุ่งขาวห่วมขาวผูนนี้นั่งสมาธิภาวนาตลอดกลางคืนยามดึกสงัดพอจิตรวมสงบลงสนิทไม่แสดงกิริยาใดๆ ปรากฏเฉพาะความสงบนิ่งในเวลานั้นพลันก็เห็นกระแสจิตของตัวเองอันละเอียดยิ่งออกจากดวงจิตเป็นสายใยย า, ยาเวเหยียดออกนอกกายนอกใจไปสู่ภายนอกแกเกิดความสงสัยเป็นล้นพ้นจึงกำหนดจิตดูว่ากระแสจิตนี้มันไหลออกไปทำไมและจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรพอแม่ขาวตามกระแสจิต อันละเอียดเป็นสายใหนั้นไปก็พบว่ากระแสจิตของแกไปเข้าที่ร่างของหลานสาวคนหนึ่งเพื่อจับจองที่เกิดในท้องหลานสาวซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันแกรู้สึกตกใจมากเพราะตัวเองยังไม่ตายทำไมจิตจึงก่งกระแสออกไปจับจองที่เกิดลแล้วเช่นนั้นจึงรีบด้อนจิตกลับมาที่เดิมและถอนจิตออกจากสมาธิทันที แกใจไม่ดีเลยนับตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นมาในระยะเดียวกันก็ปรากฏว่าหลานสาวคนนั้นเริ่มตั้งครรภ์มาได้หนึ่งเดือนแล้วเช่นกันพอตื่นเช้าวันหลังแกรีบ ม, มาวัดเล่าเรื่องนี้ถวายพระอาจารย์มั่นดังกล่าวแล้วขณะนั้นมีพระเนนหลายท่านนั่งฟังอยู่ด้วยสาทั้งที่งงาปตามๆกันพระอาจารย์มั่น นั่งหลับตานิ่งอยู่ประมาณสองนาทีแล้วลืมตาขึ้นอธิบายปรากฏการแปลกประหลาดนั้นให้แม่ขาวผู้นั้นฟังว่าเมื่อจิตรวมสงกบลงคราวต่อไปให้ยอมตรวจดูกระแสจิตให้ดีถ้าเห็นกระแสจิตนั้นส่งออกไปภายนอกดังที่ยอมว่ามันนั้นให้กำหนดจิตตัดกระแสจิตนั้นให้ขาดได้ปัญญา ถ้ากำหนดตัดขาดด้วยปัญญาจริงๆต่อไปกระแสจิตนั้นจะไม่ปรากฏแต่โยมต้องกำหนดดูกระแสจิตนั้น้วยดีและกำหนดตัดให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆอย่าทำเพียงแต่ว่าทำเท่านั้นเดี๋ยวเวลาตายโยมจะไปเกิดในท้องหลานสาวนะจะหาว่าอาตมาไม่บอกถ้าโยมกำหนดตัดกระแสจิตนั้นไม่ขาดเวลายมตายต้องไปเกิด ในท้องหลานสาวแน่ๆไม่ต้องสงสัยแม่ขาวพูนนั้นได้รับคาแนะนาจากพระอาจารย์มั่นแล้วก็กลับบ้านไปราวสองวันแกก็กลับมาหาท่านอีกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่ใสมากพอแกนั่งลงเท่านั้นพระอาจารย์มั่นก็ถามเป็นเชิงเล่นบ้างจริงบ้าทงทันทีว่าเป็นยังไงโยมห้ามกระแสจิตตัวเองอยู่หรือเปล่า ที่จะเปเกิดกับหลานสาวทั้งที่ตัวยังไม่ตายนะแกรีตอบ ท, ท่านทันทีว่ายมตัดขาดแล้วตั้งแต่คืนแรกพอจิตท่วมสงบลงสนิทแล้วกำหนดดูก็เด่นชัดดังที่เคยเห็นมาแล้วมันสงกระแสไปอยู่ที่ท้องของหลานสาวโยมก็กำหนดตัดกระแสจิตที่ลึกนั้นด้วยปัญญาดังหลวงพ่อบอกเนมันขาดระเด็นไปเลยเมื่อคืนนี้ ยอมกำหนดดูอีกอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจไม่พรากฏมีอีกเลยมันหายเงียบไปวันนี้อยู่ไม่ได้จึงต้องมาเล่าถวายให้หลวงพ่อฟังพระอาจารย์มั่นพูดว่านี่และความละเอียดของจิตคนเราจะรู้เห็นได้จากการภาวนาสมาธิท่านั้นยิธีอื่นไม่มีทางทรากได้จิตของคนเรามันลึกลับยิ่ง น, นัก เราจะไปรู้เห็นมันด้วยวิธีการคาดชิดมิดาวเอาตามตำราไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติจิตสมาธิจริงจิงจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงโยมเสือผเสียตัวให้กินเลดขับไส่ไปเกิดในท้องของหลานสาวแบบไม่ได้สุดตัวแล้วไม่ละแต่ยังดีที่ภาวนาสมาธิจน ร, รู้เรื่องของจิตเสียก่อนแล้วรีบแก้ไขการทันเหตุการณ์ฝ่ายหลานสาวคนนั้น พอถูกคุณยายแม่ขาวปัดกระแสจิตขาดจากความติดต่อก็ปรากฏว่าล่อนได้แท้งลูกในระยะเดียวกันน่าประหลาดมหกจรจริงๆปัญหาที่ว่าคนยังไม่ตายทำไมจึงเริ่มไปเกิดในท้องคนอื่นได้เช่นนี้พระอาจารย์มั่นได้เฉลยปัญหานี้ให้พระเนนลูกจิตทั้งหลายที่สงสัยเป็นล้นพ้นฟังว่าจิต เป็นแค่เพียงเริ่มต้นจักจองที่เกิดไว้ท่อง น, นั้นแต่ยังไม่ได้ไปเกิดเป็นตัวเป็นตนโดยสมบูรณ์ถ้าคุณยายแม่ขาวพูนนั้นไม่รู้เท่าทันหล่อยให้จิตไปเกาะเกี่ยวกับการเกิดในท้องของหลานสาวเจนทารกในคนรรภ์ปรากฏเป็นตัวเป็นตนสมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อไรคุณยายคนนั้นจะตายทันทอต่อปัญหาที่ว่า การที่คุณยายแม่ขาวตัดกระแสจิตตัวเองจนหลานสาวแท้งลูกจะไม่เป็นการทําลายชีวิตมนุษย์ในคันหรือพระอาจารย์มั่นตอบว่าจะเป็นการทําลายก็แต่เฉพาะกระแสจิตตัวเองเท่านั้นนี่ได้ตัดหัวคนที่เกิดเป็นตัวเป็นตนแล้วแต่อย่างใดเพราะจิตแท้ยังอยู่กับคุณยายส่วนกระแสจิตที่แกส่งไปยึดไว้ที่หลานสาวนั้น พอแกรู้สึกตัวก็เรียกแกไขที่ปตัดกระแสจิตของตนเสียมิให้ไ้เกี่ยวข้องอีกต่อไปเรื่องกระดิ่ติกันไปท่อนั้นอีกอย่างก็คือทารกในคันนั้นเพิ่งมีอายุได้หนึ่งเดือนท่อนนั้นเป็นเพียงแค่ก้อนเลือดยังไม่เป็นตัวตนแต่อย่างใดสาเหตุที่คุณยายแม่ขาวเผลอพ ล, อพลปล่อยใจให้กระแสจิต ้องออกไปเกาะเกี่ยวกับหลานสาวนี้คุณยายได้เล่าว่าแกรักหลานสาวคนนี้มากเสมอมามีเมตตาห่วงใยได้ติดต่อเกี่ยว ก, กับหลานสาวคนนี้อยู่เสมอแต่ไม่ได้คิดว่าจะมีสิ่งลึกลับคอยแอบขโมยไปก่อเหตุเช่นนั้นขึ้นมาเกินถึงกับต้องไปเกิดเป็นลูกของหลานสาวเช่นนี้ถ้ามีได้พระอาจารย์มั่น ช่วยบอกวิธีแก้ไขไว้ทันท่วงทีก็คงไม่พ้นต้องไปเกิดในท้องของหลานสาวอย่างแน่นอนพระอาจารย์มั่นว่าจิตนี้พิสดารเกินกว่าความรู้ความสามารถของคนธรรมดาจะตามรู้ตามรักษาโดยมีให้เป็นภัยแก่ตัวผู้เป็นเจ้าของดังที่คุณยายพูดไม่มีผิดถ้าแกไม่มีหลักใจทางสมาธิภาวนาอยู่บ้างแล้ว แ่ก็ไม่มีทางเดิมของใจได้เลยทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปฉะนั้นการทำภาวนาสมาธิจึงเป็นวิธีปฏิบัติต่อใจได้ดีและถูกทางยินเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเด่นแล้วสติปัญญายินมีความสำคัญมากในการตามรู้และรักษาจิตตลอดจนการต้านทานทุกขเวทนาไม่ให้มาทับจิตใจ ในเวลาชวนตัวซึ่งเป็นเวลาเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆท่าพลาดท่าขนะนั้นก็เท่ากับพลาดไปอย่างน้อยพบหนึ่งชาติน่งเช่นได้เกิดเป็นสัตยนิดใดก็ต้องเสียเวลานานเท่ากับชีวิตของสัตในภพภูมินั้นๆขณะที่เสียเวลายังต้องเสวยกรรมในกำเนิดนั้นไปด้วยท่าจิตเมตติพอประคองตัวได้อย่างน้อย ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่านั้นก็ไปเกิดในเทวสถานชมวิ ม, มานและสวยทิพยสมบัติอยู่นานปีถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ลืมศีลธรรมที่ตนเคยบําเพ็ญรักษามาตั้งแต่บุพเพชาติทําให้เพิ่มอํานาจวาสนาบุญญาที่สมพานขึ้นโดยลําดับจนจิตมีกําลังแก่กล้าสามารถรักษาตัวได้ การตายเป็นเพียงการเปลี่ยนร่างกายจากต่นขึ้นไปสูงจากต้นไปหายาวจากยาบไปหาละเอียดจากวัตจักรไปเป็นวิวัตจักรดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนเครื่องเสวยมาเป็นลำดับสิดท้ายก็หมดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอะไรต่อไปอีกเพราะอิสได้รับการอบรมไปทุกภพทุกชาติ เป็นฉลาดเนื้อสิ่งใดกลายเป็นนิพพานสมบัติขึ้นมาอย่างสมพระทัยและสมใจซึ่งล้วนไปจากการฝึกฝนอบรมจิตให้ดีไปโดยลำดับทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้นักปราถทั้งหลายจึงไม่ท้อถอยในการสร้างกุศลอันเป็นสวัสดีมงคลแก่ตนทุกเพศทุกวัยจนสุดยิ้สัยที่จะทำได้ไม่เลือกการ เหตุการ์ทีปะขาวบอกเขตุคืนหนึ่งพระอาจารย์มั่นปักหลบเจริญสมณธรรมบำเพ็ญเพียรอยู่ที่หุบเขาแห่งหนึ่งในแขวงสลรวัตรประเทศลาวขณะที่พระอาจารย์มั่นนั่งบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่นั้นเป็นเวลาดบกสงัดประมาณว่าสตีสองเห็นจะได้ชีพของท่านอยู่ในขั้นอุปจาระสมาธิคือสมาธิอย่างอ่อ น, ออน กำลังพิจารณาสังขารธรรมอยู่อย่างเพลิดเพลินเจริญใจไม่ลดละความเพียรพลันทันใดก็ปรากฏภาพนิดตขึ้นในห้วงสมาธิมีชายผู้หนึ่งน่องขาวห่มขาวแบบชีปาขาวเดินเดินเข้ามาคุกเขา่าก้มลงกราบท่านและพูดว่านีมนหลวงพ่อย้ายกรดขึ้นไปอยู่บนเขาเจ็ดเถิดด้วยคืนนี้จะมีน้ปาปา พัดผ่านมาที่นี่หลวงพ่อจะเป็นอันตรายถึงชีวิตและภาพนิมิตของขีปักขาวผุนนั้นก็หายบับไปท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าท่านรู้สึกแปลกใจและสงสัยจึงอธิษฐานจิตบา ร, รมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอาหารหันต์าคกทั้งหลายเพื่อขอตรวจดูเหตุการณ์ด้วยทิพยจักรุุยานพลนก็พบว่า ไหลออกไปทางเหนือฝนกําลังตกหนักมืดครึ้มมีพายุและปาลาลัน่ากลัวมากเห็นน้าําป่ากําลังทะลักทะลายลงมาจากบนยอดเขาพัดพาถล่มต้นไม้ในปา่าเสียงดังกึกก้องไปหมดหน่ากลัวมากกระแสน้ําป่านั้นกําลังพัดมาทั้งสิษฐ์ที่ท่านกําลังบําเพ็ญเพียรอยู่นั่นเองท่านพระอาจารย์มั่น รู้สึกระลากใจระคนงสงสัยจึงถอนจิตออกมาจากสมาธิลืมตาดูพบว่าบริเวณหุบเขาที่ท่านพักอยู่นี้แสงเดืองนงายยังแจ่มเจริญอากาศก็ยังสบายปลอดโร่งคลื่นลมไม่มีเขาเมฆฝนยอยู่ในท้องฟ้าเลยฟ้าทั้งฟ้าก็จะ็นเงเียบวิเวกบางแดงใจไม่มีเขาเสียงฝนฟ้าพายุ ดังมาจากทิศไหนเลยก็ให้ชงวนใจอยู่ไม่แน่ใจในเหตุการณ์ที่รับรู้ในยานพิเศษเมื่อกี้นี้ว่าจะมีน้ำป่าพัดมาจริงๆแน่หรือแต่ทางใดนั้นท่านก็ได้ยินเสียงอื้ออึงดังมาจากเบื้องทิศเหนือเสียงนั้นน่ากลัวมากคล้ายกับเสียงรถไฟหลายขบวนวิ่งแข่งกันเข้ามาในป่าไม่มีผิดทาให้ท่านแน่ใจในทันทีว่า โอปะปาติกะทีปักขาวที่เข้ามาแจ้งเหตุในมิมิตเมื่อครู่นั้นบอกลาเป็นความจริงและทิพยะพาจักสุกานของท่านก็เห็นภาพแน่ชัดไม่ใช่ภาพหลอกหลอนแต่อย่างใดเสียงอื้ออึงนั้นเป็นเสียงน้ำป่าหาใจกำลังพัดมาอย่างรวดเร็วรุนแรงมากอย่างแน่นอนนี่คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลไม่มีใคร สภไปห้ามมันได้ขระผู้เป็นสมณนะผู้บำเพ็ญธรรมไม่บังควรจะกิดขวางธรรมชาติครำพึงเช่นนี้แล้วท่านก็ถอนกลดจัดแจงจะย้ายขึ้นไปหลบน้ําป่าไปอยู่บนภูเขาสูงให้พ้นอันตรายแต่ท่านก็หาได้ตื่นกลัวไม่พ่อแบกกรดใส่บาข้างหนึ่งและสภัย บ, บาอีกข้างแล้วท่านก็ออกเดินมุ่งหน้าขึ้นเขาไปกระทําทจิตใจ ให้มั่นคงภาวนาไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนอะไรเพราะเสียงน้าป่าซื้งนั้นยังคงอยู่ไกลคงไม่มาถึงตัวท่านด้วดเร็วแน่กะว่าเดินภาวนาไปสักครู่ก็จะขึ้นเขาสูงหนีพ้นไปได้แต่ความเข้าใจของท่านนั้นผิดถนัดเพราะน้ำป่ามารวดเร็วมากเนื่องจากท่านไม่เคยประจญกับน้ำป่ามา ก, ก่อน จึงไม่รู้ว่าน้ำป่านั้นพอได้ยินเสียงก็แสดงว่าจวนตัวเป็มทีแล้วท่านใดท่านก็รู้สึกตัวว่าถูกแรงกระแทกอันเย็นเฉียดเป็นก้อนมหุ ม, มาทาให้ร่างของท่านลอยขึ้นสูงคล้ายถูกจับโยนอย่างแรงด้วยมือยับพร้อมกับมีเสียงดังอูจนแสกแก้วหูพอได้สติก็พบว่าร่างของท่านถูกกระแสน้ำป่า พักขึ้นไปติดอยู่บนหน้าผาสูงประมาณสิบวาอย่างน่าอัศจรร์โดยที่ท่านไม่ได้รับอันต ร, รายอย่างใดเลยจะมีก็แต่จีวรที่มุ่งห่มอยู่นั้นเสียโชคไปหมดทั้งตัวท่านมองลงมาจากหน้าผาเห็นกระแสมหึมาไหลกราดท่วมต้นไม้ใบหญ้าบริเวณที่ท่านนั่งภาวนายอยู่ในหุบเขานั้นกลายเป็นทะเลสาบไปหมดในชั่วพริบตา ทำเอาถึงกับตะลึงและให้อัศจรรย์ใจว่าทำไมท่านถึงเมื่อถูกกระแสน้ำพัดพาจมหายเปนน็นหมอนหนจึงลอยขึ้นมาอยู่บนหน้าผาได้อย่างน่าอัศจรรย์เช่นนี้สักครู่น้ำปา น, นั้นก็หายบับไปกับตานี่และธรรมชาติของน้ำป่ามาเร็วหายไปเร็วและเป็นภัยอันตรายอย่างร้ายแรงน่ากลัวยิ่งนัก ใครหนีไม่ทันมักจะจมน้ำตายหรือไม่ก็ถูกน้ำซัดพัดพาไปให้กระแทกเข้ากับต้นไม้บ้างกระแทกเข้ากับโขดหินบ้างจนถึงแก่ความตายท่านพระอาจารย์มั่นนับว่ามีบุญญาที่สมพานสูงจึงรอดตายมาได้ในครั้งนี้จะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาช่วยชีวิตไว้ก็น่าสงสัยมากอยู่ เหตุการณ์พยานาคฟังธรรมพระอาจารย์มัน่นโพลิทตโตท่านมีความเกี่ยวข้องกับพวกพยานาคอยู่อย่างลึกลับจากข้อความในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเรียกเรียงโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนกล่าวไว้ว่าในสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกเที่ยวแสวงิเวศอยู่ตามป่าเขาลำนาวไพรในภาคเหนือและเขตภาคอีสาน ตลอดจนฝั่งซ้ายแม่น้ำของขณะที่ท่านพักบำเพ็ญเป็นสุขวิหารธรรมอยู่สบายในปาน่าในเขาที่ส ง, งดประจักษ์ผู้คนทั้งกลางวันกลางคืนพระอาจารย์มั่นมีการติดต่อกับพวกกายทิพย์เช่นเทวบุตรเทวทิดาอินพรมพญานาครุดยักษ์กุมภันคนทัน ยิทยาทรและพูดผีผีกาที่มาจากที่ต่างๆเป็นอยู่ประจำจำม่มเสมอท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับมนุษย์ติดต่อกับมนุษย์ชาติต่างๆในโลกนี้เพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันท่านพระอาจารย์มั่นพธิทัตโตเล่าว่าคณะที่ท่านกำลังแสดงธรรมอบรมพระเนตตอนกลางคืนที่หมู่บ้านสามผงจังหวัดนครพนม ได้มีพญานาคอยู่แถบลำแม่น้ำสงครามและแอ บ, บมาปังเทศท่านอยู่แทบทุกคืนโดยเฉพาะวันพระพญานาคมาทุกครั้งถ้าไม่มาตอนท่านอบรมพระเนรพญานาคก็จะมาตอนเด็กขณะที่ท่านเข้านั่งสมาธิภาวนาส่วนเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างมีมาห่างๆไม่เหมือนอยู่ที่จังหวัดอุดรชธานีและจังหวัดหนองคาย ยิ่งวันเข้าพรรษาวันกลางพรรษาและวันปวารณาออกพรรษาเด่นแล้วไม่ว่าท่านพระอาจารย์มั่นจะพักตำพรรษาอยู่ณที่ใดแม้แต่ในตัวเมืองก็ยังมีพวกเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างชั้นใดชั้นหนึ่งและที่ใดที่หนึ่งมาฟังธรรมเทศนาท่านมิได้ขาดเช่นที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น เมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นทุดงไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเชิงเขาใหญ่ลูกหนึ่งฝั่งไทยทางทิศตะวันตกคนครหลวงพระบางภูเขาลูกนี้อยู่ใช้ต่ังแม่น้ำโขงพระอาจารย์มั่นเล่าว่าที่ใต้เชิงเขาลูกนี้มีเมืองพญา น, นาคตั้งอยู่ใหญ่โตมากวันหน้าพญา น, นาคพาบริวารมารับฟังธรรมจากท่านอยู่เป็นประจำ และมักมากันมากมายในบางครั้งพวกพญานาคไม่ค่อยมีปัญหาซักถามมากเหมือนพวกเทวดาพวกเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างมักมีปัญหามากพอๆกันหมายถึงปัญหาข้อสงสัยทางธรรมะส่วนความเลื่อมใสในธรรมะนั้นพวกพญานาคและพวกเทวดามีความเลื่อมใสพอๆกัน พระอาจารย์มั่นพักบาเพ็ญเทียนอยู่เชิงเขาลูกนั้นนานพอสมควรพวกพญา น, นาคมาเยี่ยมคารวะฟังธรรมกับท่านแทบทุกคืนพวกพญา น, นาคมาเยี่ยมคารวะท่านไม่ดึกนัก ท, ท่านว่าอาจจะเป็นเพราะที่พักของท่านสงัดเงียบหางไกลจากหมู่บ้านก็ได้พวกพญา น, นาคจึงมาเยี่ยมในเวลาประมาณสี่ถึงห้าทุ่มส่วนสถานที่อื่น พวกพญานาคมาดึกกว่านี้ก็มีเวลาขนาดนี้ก็มีพวกพญานาคตามสถานที่ต่างๆมีความเคารุดเลื่อมใส่ท่านมากพวกเขาจัดให้บริวารพญานาคมาคอยรักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้กับท่านในทั้งกลางวันและกลางคืนโดยผัดเปลี่ยนวรรคกันไม่ได้ขาดท่านไปอยู่สถานที่ใดพวกพญานาคในสถานที่นั้น มักอาราธานานิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่นั่นนานๆเพื่อโปรดพวกเขาเมื่อครั้งพระอาจารย์มัน่นโริทัตโตพักจำพรรษาอยู่บ้านน้ำเมาอําเภอแม่ฝังจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์มั่นเล่าว่าท่านต้อนรับแขกจำพวกกายทึบบนสวรรค์มากเป็นพิเศษมีเท้าสักกะเทวราชเป็น ห, หนัวหน้าแม่ยามหน้าแหลงท่านจะหลีกเลี่ยง ออกไปเทื่อวิเวกองเดียวอยู่ในถ้าดอกคำท้าวสกกะเทวราชก็พาพวกเทวดาติดตามไปเยื่ยนท่านซึ่งพวกเทวดามาแต่ละครั้งนี้มากันเป็นหมื่นเป็นแสนและมาบ่อยที่สุดถ้าพวกที่ไม่เคยมาท้าวสกกะเทวราชต้องเตือนให้พวกเขาเข้าใจวิธีฟังธรรมก่อนที่พระอาจารย์มั่นจ ะ, สะแสดงให้ฟัง โดยมากพระอาจารย์มั่นท่านแสดงเมตตาอปปมัญญาพรหมวิหารให้พวกเทวดาฟังเพราะพวกเทวดาชอบฟังธรรมนี้มากเป็นพิเศษพวกเทวดาชอบสถานที่อยู่ลึกๆเงียบสงบห่างไกลจากมนุษย์เพราะมนุษย์มีกลิ่นเหม็นบุนแรงเหมือนซากศกเนื่องจากมนุษย์กินอาหารประเภทเนื้อสัตว์หลายชนิดมากในท้องในกระเพาะมนุษย์ จึงจำเป็นจะสรากศาพตั์ชนิดต่างๆตรงกลิ่นเหม็นกระจายออกมาตามรูขุมขนแต่มนุษย์ด้วยกันเคยชินกลิ่นของกันและกันเลยไม่รู้สึกว่าเหม็นเหมือนกลิ่นศพซึ่งจิตกับธธรรพวกเทวดามีสัมผัสพิเศษได้ว่องไวเป็นสภาวะพิ์จึงสามารถได้กลิ่นเหม็นเน่าซากศพชวยออกมาจากร่างกายมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ทาให้เกิดอาการ จะอิดจเอียนเห็นรากแทบทนไม่ไหวไม่ต่างอะไรกับคนเราทนไม่ได้กับกลิ่นซากศพเน่าเน่าในลงศกเช่นั้นเองพวกเทวดาทุกชั้นทุกภูมิเคารพท่านพระอาจารย์มั่นและเคารพสถานที่บำเพ็ญเพียรของท่านมากแม้แต่ทางเดินจงกรมที่ญาติโยมชาวบ้านเอาตายมาเกลี่ยไว้สำหรับให้พระอาจารย์มั่นเดินได้สะดวกพวกเทวดา ก็ไม่กล้าผ่านทางจงกรมต้องเดินอ้อมไปทางหัวจงกรมทุกครั้งที่มาและไปพวกพญานาคก็ชม เ, เดียวกันเวลาเข้ามาเยี่ยมคารวะสังทำกับท่านพวกพญานาคไม่กล้าเดินข้ามทางชงกรมเลยต้องเดินอ้อมไปทางอื่นบางครั้งพญานาคใช้ให้บริวารมักกราบน่มมต์พระอาจารย์มัน่นในกิจบางอย่างให้ไปโปรดพวกพญานาค ไร้กับมนุษย์เรามานิมนท์พระไปยังงานบุญไม่มีผิดเลยเหตุการ์พญานาคที่เชียงดาวพญานาคที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่รู้จักพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็มีเหมือนกันพระอาจารย์มั่นธุริทัก์โตเล่าว่าสมัยเมื่อครั้งท่านไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ถ้ำเชียงดาว ถ้ำ ท, ที่ว่านี้มีแท่ถ้ำเชียงดาวซึ่งยาวลึกเข้าไปในกลางภูเขาที่ประชาชนเข้าไปเที่ยวกันหากเป็นอีกถ้ำหนึ่งซึ่งอยู่สูงขึ้นไปประชาชนขึ้นไปไม่ถึงเพราะทำเลต้นเรนรับตาถ้ำ ท, ทิ่ท่านขึ้นไปบำเพ็ญเพียร น, นี้มีพญา น, นาคตนหนึ่งเฝ้ารักษาถ้ำอยู่มาเป็นเวลายาวนานพญา น, นาคตนนี้ไม่ได้ปรากฏร่างออกมาให้พระอาจารย์มันเห็น ด้วยสายตาธรรมดาหากแต่พระอาจารย์มั่นสามารถมองเห็นได้ด้วยในตาทิยพยา น, นาคตนนี้มีกายทิพย์หรือปรมนโนมีวังอันสวยงามหยุ่ลึกเข้าไปในถ้ำอันเทนลับยากที่ผุ้ทุกชนคนธรรมดาจะล่วงรู้หรือเห็นได้พยา น, นาคตนนี้คอยโผล่หัวออกมาจ้องมองจับทิพย์ถ้พระอาจารย์มั่นอยู่ตลอดเวลา คือจ้องมองอยู่ในท่านลึกเยียงวังของตนไม่ได้โผล่เข้ามาใกล้ที่พักของพระอาจารย์มั่นแต่อย่างใดแต่พญานาคซึ่งมีสายตาเป็นทิพย์สามารถมองไดในระยะไกลหาท้ายที่สุดพญานาคตนนี้ก็ยอมรับฟังเทศนธรรมจากพระอาจารย์มั่นในที่สุดจนได้เหตุการณ์ที่ถ้ำสาริกาท่านพระอาจารย์มั่นได้ทุดองไปยังเขาใหญ่จังหวัดนครนายก เมื่อไปถึงบ้านกล้วยใกล้เที่ยวเขาใหญ่ก่าหมู่บ้านอื่นท่านได้ขอร้องให้ชาวบ้านพาไปกองยังถ้ำการิกาเพราะไม่เคยไปท่านไม่รู้เส้นทางชาวบ้านได้ฟังดังนั้นก็พากันตกใจน่าสิ้นไปาตามๆกันได้ขอร้องห้ามปราบท่านไว้ไม่ให้ท่านไอยู่ที่ถ้ำ น, นี้เพราะถ้ำ น, นี้มีผีหลวงรูปร่างใหญ่มีฤทธิ์มาก คอยเฝ้ารักษาถ้ำอยู่พระไม่ดีจริงๆไปอยู่ไม่ได้ต้องมีอันเกิดจะป่วยล้มตายมาแล้วหลายองค์พระทุดองหลายองค์ที่ขึ้นไปอยู่ในถน้ำนี้ไม่มีใครกลับลงมาเลยพอชาวบ้านตามขึ้นไปดูก็พบแต่กองกระโดผีหลวงตนนี้มีความดุร้ายมากไม่มีสัมมาทิฏฐิทำร้ายไม่เลือกพระเลือกเจ้า ยิ่งพระธูดงองค์ใดอวดดีอ้างว่ามีวิชาอาคมขลังเคยปราบผีมาแล้วไม่กลัวผีล่ะก็ผีหลวงตนนี้ยิ่งชอบลองดีพระองค์นั้นต้องมีอันเป็นไปเขียวกว่าทุกองค์ชาวบ้านต่างสงสารพระอาจารย์มั่นกลัวจะถูกผีหลวงหักคอตายเสียได้พากันครบราอ่อนวอนต่างๆนาน า, นาขอร้องไม่ให้ท่าน ขึ้นไปที่ถ้ำผีร้ายแห่งนี้พระอาจารย์มั่นรู้สึกสงสัยและสนใจมากเดักถามชาวบ้านถึงเรื่องราวของถ้ำกาลิกาชาวบ้านเล่าท่านฟังว่าเวลาพระหรือคารวะาขึ้นไปพักแรงอยู่ในถ้ำกาลิกาเพียงคืนแรกเกิดเจอดีแทบทุกรายเวลานอนหลับจะต้องมีอันละเมอเพลิ่งพลอยหลงไปต่างๆ จะเห็นผีมีรูปร่างดำใหญ่ทมืนกล้าปานยักษ์ปักหลันเข้ามาขู่ตะข้อคุกคามจะเอาตัวไปบ้างจะฆ่าให้ตายบ้างโดยประกาศว่าตัวเขาเป็นเจ้าผู้รักษาธรรมนี้มานานแล้วเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในเขตแขวงนั้นไม่ยอมให้ใครมารุกล้ำคร่ำกลายได้ใครขืนอวดดีทากำแหงแขนข้อ เป็นหน้าที่ของเขาจะต้องกําจัดปราบพรามให้เห็นริษทันทีมีพระธูดองหลายองค์ไม่เชื่อคําห้ามพรามของชาวบ้านได้ขึ้นไปหยุ่ถ้า น, นี้อยู่ได้คืนเดียวก็ต้องรีบลงมาด้วยทาทางที่น่ากลัวตัวสัน่นแทบไม่มีสติสังังอยู่กับตัวเอาแต่พูดพราำเพ้อแต่เรื่องผุผีหลอกหลอนเล่นงานต่างๆนานาแล้วก็เรียบนี้ไป ด้วยความเกรงกลัวและเข็ดหลาบไม่คิดจะหวนกลับมายังถิ่นถ้ำสาริกาอีกเลยครั้งหลังสุดมีพระธุดงสีองค์มาที่หมู่บ้านนี้ขอร้องให้ชาวบ้านพาขึ้นไปยังถ้ำอ่างว่ามีวิชาอาคมขลังปราพูดผีปีตัดร้ายมามากต่อมาต้องการจะมาเอาเหล็กไหลและพระศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำสาริกาชาวบ้านได้ห้ามปราบไว้ ไม่ไปที่ถ้ำนี้แต่พระทั้งสี่รูปก็ไม่ฟังคำทักทายชาวบ้านจึงแันใจต้องพาไปส่งถึงท่านต่อมาไม่กี่วันก็ปรากฏเป็นที่เศร้าสลดใจว่าพระธุดงทั้งกี่รูปนั้นต่างนี้อันเป็นไปถึงแก่มรณภาพไม่มีเหลือรอดลงมาเลยเมื่อชาวบ้านเล่าให้ฟังจบลงท่านพระอาจารย์มั่นก็ยังไม่หายสงสัย คือไม่อยากจะเชื่อเพราะปกติชาวบ้านมักจะมีอุปทานเครื่องผีเรื่องสางฝังใจเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นผิดปกติมักจะถือสาเหตุว่าเป็นเรื่องของผีทําเอาแล้วเล่ากันไปปากต่อปากต่อเติมเสริมแต่งให้ผู้ฟังเกิดความเปรี้ยวจะยองน่ากลัวในฤทธเดชอานาจอันทิลึกกึกือของผีตนนั้นนั้นท่านจึงบอกชาวบ้านว่า อยากจะขึ้นไปทดลองดูจะเป็นจะตาอย่างไรก็ขอให้ได้รู้ได้เห็นด้วยตัวเองก็แล้วกันผีจะกล้าขอพระผู้ตรงสินมุ่งบำเพ็ญสมณธรรมก็ให้รู้ไปรายอมตายเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงของธรรมนี้ให้จงได้ไม่ใช่พ้าถ่ายอำนาจผีและก็ไม่ใช่ประมาทแต่หากอยากจะรู้ความจริงยิ่งกว่าคำเล่าลือบอกกล่าว ชาวบ้านเห็นท่านมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวเช่นนั้น mm. ก็จำใจพาท่านไปถึงถ้ำสาริกาด้วยความเกรงใจไม่อยากขัดใจพระเพราะกลัวจะเป็นบาปด้วยความเป็นห่วงท่านชาวบ้านได้คำชับว่าถ้าหากท่านเห็นท่าม่ดีแล้วเราก็ขอให้รีบลงมาจากถ้ำเบเร็วอย่าอยู่ค้างคืนเลยท่านพระอาจารย์มัน่นรู้สึกพึงพอใจในถ้ำ น, นี้มาก ภายในถ้ำสะอาดเกียบร้อยโดยมีคนคอยปักกวาเป็นประจำทุกวันทำเลยเหมาะสมอยู่ในที่ลับกระแสะลมเย็นพัดพาให้สบายกายรอบรอบถ้ำเงียบสงั ด, ดีเวทบางเบงใจจะมีบ้างก็แต่เสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆออกหากินตามประษา ข, ของพวกมันเท่านั้นเหมาะที่สุดสำหรับการบำเพ็ญเพียรภาวนาแสวงหาวิมุตติธรรมระยะ 2-3 เขืคืนแรก ที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักบำเพ็ญเพียรอยู่ท่านนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านรู้สึกปวดโร o เย็นกายเย็นใจมีความสำราญอาหารร่าเริงในธรรมจะพิจาจรณอะไรก็ลุล่วงแตกฉานไปด้วยธรรมปัญญาหน้าพิสวงทำให้ท่านเกิดความพึงใจที่จะอยู่ท่านนี้ต่อไปนานๆแต่พอคืนที่สี่ต่อมาเหตุผิตปกติเกิดปรากฏขึ้น นั่นคือโรคเก่าของท่านได้กำเริบขึ้นมาเฉยๆเป็นโรคเจ็บท้องเกี่ยวกับกระเพาะอาหารที่เคยเป็นมาประจำขันเดี๋ยวเป็นเดียวหายเอาแน่นอนไม่ได้ทั้งนี้เพราะเกิดเนื่องมาจากการขบชันอาหารไม่สม่ำเสมอบางวันก็ได้ฉันอาหารบางครั้งสี่ถึงห้าวันถึงได้ฉันก็มีอยู่บ่อย ทำให้กระเพาะอาหารพิการไปตามเรื่องตามราวของมันอาการเจ็บปวดเจ็บแย่งท้องไส้ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งพอเริ่มเจ็บก็ทวีอาการกําเริบเกิดสารขึ้นอย่างรุนแรงจนถึงขั้นขับถ่ายออกมาเป็นเลือดสดๆฉันอาหารอะไรเข้าไปก็ไม่ย่อยเข้าไปอย่างไรก็ขับถ่ายออกมาอย่างนั้นได้รับทุกข์เข้ทนาเป็นที่เกิด เพรียวแรงกำลังบางชาก็อ่อนล้าแทบจะสรงกายได้ไม่ไหวอาการเจ็บปวดคราวนี้หนักจริงๆทำให้ท่านพระอาจารย์มั่นฉเฉลียวใจคิดยิ้ตกถึงคำจักเตือนของชาวบ้านที่ว่ามีพระทุดองขึ้นมาตายในถ้า น, นี้แล้วหลายองค์เราอาจจะเป็นรายต่อไปก็ได้ที่จะต้องมาตายในถ้า น, นี้โยมชาวบ้านขึ้นไปถ้าเพื่อดูว่า พระอาจารย์มั่นยังอยู่เป็นปกติดีหละหรือเมื่อพบว่าท่านกำลังกวยไข้หนักกระพากันวิตตกเป็นอันมา ก, กแสดงความหวาดกลัวอิทิฤทธิ์ของผีวหลวงที่เฝ้าถ้ำเข้าใจไปว่าที่พระอาจารย์มั่นจะป่วยในครั้งนี้จะต้องเป็นเพราะการกระทำของผีร้ายแน่นอนจึงรีบนิมนต์ท่านให้ลงไปจากถ้ำเสียโดยเร็วถ้าท่านเดินไม่ไหวพวกเขา ก็จะช่วยตันหางไปเองเพื่อพาไปรักษาตัวในหมู่บ้านแต่ท่านพระอาจารย์มั่นไม่ตกลงด้วยยังคงยืนยันจะอยู่ที่ถ้าสาริการนี้ต่อไปได้ขอร้องญาติโยมชาวบ้านเหล่านั้นให้พาท่านเข้าไปในป่าเพื่อหาเก็บยาสมุนไพรประเภทยารากไม้กันไม้เอามาต้มฉันบ้างผนใส่น้ำฉันบ้างแต่ก็ไม่ได้ผลอะไร อาการมีแต่ทวีกำเริบทุกเวลานาทีกำลังกายก็อ่อนเพลียลดน้อยถอมลงกำลังใจก็ปรากฏว่าลดลงผิดปกติพระอาจารย์มั่นท่านจึงหยุดฉันญาและพิจารณาด้วยปัญญาก็พอจะรู้ว่าอาการของโรคกำเริบนี้รักษาด้วยยาไม่หายแน่เพราะฉันญาเข้าไปอาการก็มีแต่จะกำเริบคุนแรงเข้าทุกที จำจะต้องหยิดฉันยานิเสียแล้วรักษาด้วยยาอมตะนั่นคือธรรมโอสถถ้ารักษาด้วยยาธรรมโอสถไม่หายจะตายก็ให้มันตายไปไม่อะไรเสียดายแก่ชีวิตเราได้บำเพ็ญเพียรทางใจมาพอสมควรจนเห็นผลแนใ่นใจต่อทางดำเนินเพื่อมักผลนิพพานมาเป็นลำดับทำไมจะที่ขลาดอ่อนแอ ในเวลาเกิดทุกขเวทนาเพียงเท่านี้กับเพียงทุกเกิดขึ้นเพราะโรคเป็นสาเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านี้เรายังสู้ไม่ไหวกลายเป็นผู้อ่อนแอกลายเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างยับเยินแค่แต่แบบนี้แล้วเมื่อถึงคราวจนตัวเวลาขันจะแตกธาตุจะสลายความทุกข์ยิ่งจะถาโถมผมกันเข้ามาทับธาตุขันและจิตใ จ, จเปจะไม่มีที่ปล ong วางได้ แล้วเราจะเอากําลังจากที่ไหนมาต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดไปได้โดยสุขโตไม่เสียท่าเสียทีในสงครามลังอสวาคิเลสเล่าพระอาจารย์มั่นพรัพึ่งกับตนเองเมื่อพระอาจารย์มั่นทำความเข้าใจกับตัวเองด้วยเหตุผลปัญญาแล้วเช่นนี้ก็หยุดสัญญาในเวลานั้นทันทีและเริ่มทาสมาธิภาวนา เพื่อใช้อั น, นาจสมาธิจิตอสดรักษาความเจ็บป่วยอันทุกทรมานและเป็นการบำบัดบรรเทาจิตที่อ่อนแอลงเพราะธาตุขันเป็นเหตุท่านเริ่มปล่อยวางไม่อะไรเสียใในชีวิตร่างกายอันเป็นธาตุขันสมมติตัวตนปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดาสังขารเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครเลี่ยงพ้นในขณะเดียวกัน กะดำเนินสติปัญญาอย่างลงในทุกขเวทนาแยกแยะส่วนต่างๆของธาตขันออกพิจารณาด้วยปัญญาอันแหลมคมครควรไม่ลดละไม่สนใจคำหนึ่งต่ออาการของโรคที่กําลังกําเริบเร็บปวดยกทั้งส่วนรูปกายทั้งส่วนเวทนาคือทุกภายในทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่างๆว่าเป็นทุกขทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งว่า ส่วนนี้เป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการวิปัสสนาท่านทำการพิจารณาขุดค้นคลี่คลายเ้วยสติปัญญาอย่างไม่หยุดยัง้งตั้งแต่พลบคำ่ำจนถึงเทื่องคืนในที่สุดก็ลงเอยกันได้จิตมีกำลังขึ้นมาอย่างน่าอาศัศจรรย์สามารถคลี่คลายทัดขนันจนรู้จำแจ้งท้งตลอดหมดสงสัย ทวดถึงทุกขเวทนาที่กําลังกำเริบจากโรคในท้องพลันโรคกระงับลงอย่างสนิทจิตรวมลงสู่ความสงบอันเยือกเย็นโรคก็ดับทุกข์กระดั บ, กกดบความปุ้งซ้ำของใจกระดับพอจิตรวมสงบลงถึงที่แล้วถึงขั้นเจตุทะฌานกระถอนจิตออกมาอยู่ที่ขั้นอุปจาระสมาธิเมื่อถอนจิตออกมาตรงตัวอยู่ในระดับอุปจาระสมาธิ หรืออุปจารย์านแล้วพลังจิตก็สว่างออกไปนอกกายอันเป็นพลังทิพยพยาจักรสดปรากฏเห็นบุรุษผู้หนึ่งมีร่างกายใหญ่โตดำมืเมื่อมสูงประมาณสักสิบเมตรถือตะบองเหล็กใหญ่เท่าขายาวราวสองวาเดินปรีเข้ามาหาท่านก่อนจะพูดกับพระอาจารย์มั่นโด ย, ยน้ำเสียงอันดุดันว่าจะทุบตีท่านให้จมลงไปในดินถ้าไม่หนี จะค่ายตายเดยนี้ตะบองเหล็กที่เราถืออยูน่นี้ตีช้างสารตัวใหญ่ทีเดียวก็ตายจมดินจมมิดไม่ต้องตีซ้ำอีกเลยพระอาจารย์มั่นกำหนดจิตถามผีร่างยักษ์ผู้ดุร้ายนั้นว่าสมาตีมาฆ่าอัตมาด้วยเรื่องอะไรผียักษ์ตอบว่าเราเป็นเจ้าเป็นใหญ่รักษาภูเขาลูกนี้มานานแล้วไม่ยอมให้ใครมาครองอำนาจเหนือเราได้ ใครบังอาจมาต้องกำจัดทันทีพระอาจารย์มั่นตอบว่าอาตมานี้ได้มาครอบครองอํานาจบนหัวใจใครการมาที่นี่ก็เพื่อบําเพ็ญศีลธรรมอันดีงามเพื่อครองอํานาจเหนือกิเลสบาปทำบนหัวใจตนท่องนั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและทําร้ายคนเช่นอาตมาซึ่งเป็นนักบวชสงสินเป็นติด ของพระพุทธเจ้าผู้มีใจบริสุทธิ์มีอำนาจในทางเมตตาครอบไตรโลกธาตุถ้าท่านมีอำนาจจริงจริงดังที่อวดอ้างแล้วท่านมีอำนาจเหนือกรรมและเหนือธรรมอันเป็นกฎใหญ่ปกครองมวลสัตว์ในไตรภพด้วยหรือเปลา่าทีร้ายตัวใหญ่ตอบว่าเปลา่าพระอาจารย์มั่นเห็นได้ทีจึงเทืยกใหญ่ต่อไปว่า พระพุทธเาจ้าท่านเก่งกล้าสามารถปราบกิเลสตัวที่คอยอวดอํานาจวัดตัวดีตัวเก่งอยู่ภายในใจของมวลตัดได้ที่ท่านคุยอวดอ้างวัดเก่งนั้นท่านได้คิดที่จะปราบกินเลสตัวอวดดีอวดเก่งในใจท่านให้หมดสิ้นไปบ้างแล้วหรือยังผีร่างยักษ์ตอบด้วยเสียงอ่อยๆว่ายังเลยเขายังทําไม่ได้พระอาจารย์มั่น จึงสำทับไปว่าถ้ายังก็แปลว่าท่านแชออำนาจบาตใหญ่ไปในทางที่ทำตนให้เป็นคนมืดหนาปากเถื่อนต่างหากนับว่าเป็นบาปแล ะ, ะเะวยกําหนักท่านนาาสงสารมากที่ไม่มีอำนาจปรับความชั่วของตัวเองได้แถมยังอวดฤทสิ์เดชจะจะทำลาภเอื่นท่าเดียวการกระทำของท่านเป็นการก่อไฟเผาตัวเองจัดว่า กำลังสร้างกําหนักมีหน้ำซ้ำยังจะมาฆ่ามาตีสมณะผู้ทรงศีลทรงธรรมอันเป็นหัวใจของโลกถ้าไม่จัดรับท่านทำกรรมอันเป็นบาปอยากช้ายิ่งฝากคนทั้งหลายแล้วจะจักว่าท่านทำความดีน่าชมเชยที่ตรงไหนอาตจจมาเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งมาที่นี่เพื่อทำประโยชน์แก่ตนและแก่โลกโดยการประพฤติทธรรม ด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านยังจะมาทุกตีสังหารโดยไม่ได้คำนึงถึงบาปกรรมที่จะจุดลากท่านลงนรกแต่บุกรรมอันเป็นมหันตทุกข์เลยอาตจจมารู้สึกสงสารท่านยิ่งกว่าจะอาลัยในชีวิตของตัวเพราะท่านลงอำนาจของตัวจนถึงกับจะเผาตัวเองทั้งเป็นอยู่ขณะนี้แล้วอำนาจอันใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ในตัวท่านอำนาจอันนั้น จะสามารถต่านทานบาปกรรมอันหนักที่ท่านกำลังจะก่อขึ้นเผาผลาญตัวเองอยู่เวลานี้ได้หรือไม่ท่านว่าท่านเป็นผู้มีอานาจอั น, หนใหญหลวงปกครองยินให้เหล็เขาเหล่านี้แต่อานาจ น, นั้นมีฤทธิ์เดชเหนือกรรมและเหนือธรรมได้ไหมถ้าท่านมีอานาจและมีฤทธิ์เหนือกรรมและเหนือธรรมแล้วอาตมายินดีให้ท่านทุกตีให้ถึงตายได้ อาตมาไม่ได้กลัวตายเลยแม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาก็ยังจักต้องตายดีโดยดีหมากการของมันมาถึงแล้วเพราะโลกนี้เป็นที่อยู่ของมนุษย์ผู้เกิดแล้วต้องตายทวนหน้ากันแม้แต่ตัวท่านที่กําลังอวดตัวว่าเก่งมีอํานาจจนกลายเป็นผู้มือบอดอยู่เช่นนี้แต่ท่านก็ไม่ได้เก่งไปกว่าความตายและกฎแห่งกรรม ที่ครอบงำสัตว์โลกไปได้เลยผีหลวงร่างยักษ์ได้ฟังคำเทศนาอันเผ็ดร้อนของพระอาจารย์มั่นโดยทางสมาธิจิตคือพูดทางจิตก็ให้มีอาการตื่นตะลึงตัวแข็งแบกตะบองเหล็กค้างเตินไม่กล้ากระดุกกระดิกแสดงอาการทั้งอับอายและเกรงกลัวพระอาจารย์มั่นอย่างถึงขนาดใกล้จะไม่กล้าหายใจเอาทีเดียว ครั้นแล้วอย่างช้าช้างกงกเงินเงเขาก็พิงตะบองเหล็กอันใหญ่โตลงกับพื้นแล้วในรมิตร่างในทิศตากลับกลายเป็นร่างของมารนกนมพูงพงามและนิ่นนวลนด้วยมาระยาทอัธยาศัยคุกเข่าลงคลานเข้ามากราบนมัส ก, การพระอาจารย์มั่นแล้วกล่าวคำขอโทษอย่างบุคคลผู้เห็นโทษสำนึกมีบาปกรรมที่แสดงกิริยาหยาบคาย ชั่วช้าสามารล่วงเกินท่านและได้สารภาพว่ากระผมผู้สึกแปลกใจและสะดุ้งกลัวท่านพระอาจารย์มั่นตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเพราะมองเห็นรัศมีแสงสว่างที่แปลกหรือัศจรรย์มากไม่เคยพบเห็นมาก่อนลำแสงรัศมีนั้นพวยพุ่งออกมาจากร่างพระอาจารย์รัศมีสว่างของพระอาจารย์กระทบเข้ากับตัวกระผม ทำให้กระผมถึงกับอ่อนเพลียเพรียแรงเป็นหมดใจสันราริกเหมือนหัวใจจะวายลงเสียให้ได้แต่ด้วยทิฏฐิมาณนะถือดีทำให้กระผมฝืนใจแสดงกิริยาอาการดุร้ายคำรามรู่จะฆ่าตีพระอาจารย์ออกไปอย่างนั้นเองแต่ใจจริงแล้วไม่คิดจะทุกตีแต่อย่างใดเลยเป็นเพียงกิริยาหยากช้าที่แสดงออกมาตามความรู้สึก ที่เคยฝันใจอยู่ในสันดานมานานว่าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจในหมู่อมนุษย์ด้วยกันมีอำนาจในหมู่มนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมชอบรับบาปหาความชั่วประจำนิสัยต่างหากอำนาจอันชั่วร้ายนี้จะทำอะไรให้ใครได้รับความบีบบัดบัรลัยเมื่อไรก็ได้ตามความต้องการโดยประกาศความต้านทานขัดขวางพิธิมณะอันนี้แล ทำให้วางตัวเป็นผู้มีอำนาจบาตรใหญ่แสดงความอยากคายดุร้ายออกมาให้พระอาจารย์เห็นพอไม่ให้ตัวกระผมเองเสียลวดลายทั้งทงที่เกรงกลัวพระอาจารย์เหลือประมาณความจริงกระผมเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาพูดเต็มไปด้นมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นชอบมีแต่ความชั่วร้ายจนชาวบ้านตราหน้าว่า เป็นพูดธผีปีศาจชาติชั่วเห็นใส่เครื่องอามิตรเส้นส่งบูชาเต็มไปิ้วความโลกความโกรธความหลงไม่วางตัวให้สมภูมิเวดาเอาเสียเลยกรรมอันนิงามใดๆที่กระผมแสดงต่อพระอาจารย์ในครั้งนี้ขอจงได้เมตตาอาโหติกรรมแก่กรรมนั้นๆให้กระผมด้วยอย่าต้องได้รับบาปหับทุกต่อไปอีกเลยเท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ ก็มีแต่ทุกข์อย่างเพียงพออยู่แล้วยิ่งจะเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองมากกว่านี้ก็คงเหลือกำลังที่จะทนต่อไปได้ไหวท่านพระอาจารย์มั่นได้ถามไปว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนามากใครก็เป็นทิพย์ไม่ต้องหอบหิวเดินเหินไปไมา้ลำบากเหมือนมนุษย์การเป็นอยู่หลับนอนก็ไม่เป็นภาระเหมือนมนุษย์โลกที่เป็นอยู่กันแล้วทาไม ซึ่งบ่นว่ายังมีทุกข์อยู่อีกมา น, นมพนมพานนมเอือขึ้นแล้วตอบว่าถ้าพูดกันอย่างปเปรือเผยและเปรียบเทียบกับกายมนุษย์ที่หยาบหยา ก, ยากพวกกายทิพย์อาจมีความสุขมากกว่าพวกมนุษย์กระริงเพราะเป็นภูมิที่ละเอียดกว่าแต่ถ้ากล่าวตามชั้นภูมิแล้วกายทิพย์ก็ย่อมมีความทุกข์ไปตามวิสัยของภูมินั้นๆเช่นกันกระผมเป็นรุกขเทวดาชั้นหัวหน้า เป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในภูเขาและสถานที่ต่างๆมีอาณาเขตบริเวณกว้างขวางมากติดต่อกันหลายจังหวัดมีบริวารมากมายที่อาศัยอยู่ในภูเขาอันเป็นที่สงบเงียบฤเวกห่างไกลจากผู้คนพลุกพร่านมิได้เป็นบุรุษลึกลับมีร่างกายดําสงใหญ่ดังที่แสดงภาพกายหยาบต่อท่านเมื่อสักครู่นี้หอกขอรับนั่นเป็นแต่เพียงกายสมมติ ที่กระผมบิดเบือนเนรมิตขึ้นเพื่อแสดงอาการขมขัญท่านพระอาจารย์เท่านั้นเองขอท่านพระอาจารย์จงได้โปรดเมตตาให้เอาให้ปกกิรรมด้วยเถิดกระผมมีความเรื่อมใสเคารพในพระธรรมเป็นอย่างยิ่งและใคร่ขอปฏิญาณตนถึงพระไตรสารณะคมยึดพระอาจารย์เป็นสารณะและเป็นองค์พยานด้วยและใคร่ขอนิ ม, มนต์ให้ท่าน พักอยู่ที่นี่นานๆกระผมไม่อยากจะให้ท่านอยากไปอยู่ที่อื่นเลยตลอดอายุไขของท่านกระผมจะคอยให้การอารักขาท่านเป็นอย่างดีทุกอิริยาบถจะไม่ให้มีอะไรมารังแกเด็ดเดียนได้เป็นอันขาดท่านพระอาจารย์มั่นสนทนาธรรมกับหัวหน้ารุกขเทวดาองค์นี้อยู่จนถึงตีสี่เขาจึงได้น้ำสั ก, การลาจากไปเมื่อท่าน ถอนจิตออกจากสมาธิเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการเดินจงกรมเกิดปรากฏว่าอาการของโรคปวดท้งองรุนแรงทุกขเวทนาได้หายไปหมดอย่างชื่นเชิงเป็นอันว่าโรคประจำกายได้หายไปอย่างเด็ดขาดโดยธรรมโอสถทางภาวนาล้วนๆไม่ต้องอาศัยยาสมุนไพรรักษาอีกต่อไปจริงเป็นจริงอัศาจรรย์น่าคิดยิ่งนัก เป็นความอัศจรรย์ของอนุภาพแห่งธรรมะโดยแท้อย่างมิได้สงสัยธรรมะยังได้ธรรมิเวดาผู้เป็นมิชชาทิฏฐิหายพยศและเกิดความเลื่อมใสอีกด้วยในตอนเช้าต่อมาก็สามารถฉันอาหารได้เป็นปกติไม่เป็นพิษเป็นภยัยต่อร่างกาอีกต่อไปโอนหนอธรรมะที่พ ร, ร, ระพุทธเจ้าทรงพระเมตตา ประธานได้แก่หมู่ชนสั่งเป็นธรรมะที่สุขุมลุ่มลึกมิขไรอยากที่จะมีผู้สามารถปฏิบัติและไตรตรองให้เห็นจริงตามได้พระอาจารย์มัน่นเกิดความภูมิใจและอาจารย์ในตัวท่านเองที่มีวาสนาได้ปฏิบัติและรู้เห็นความอาจารย์จากธรรมะแม้จะยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิที่ไปฝันมานานก็าตามแต่ก็ยังจับว่า อยู่ในขั้นพอกินพอใช้ไม่ขัดสนจน ม, มุมในความสุขที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปซึ่งตัวเองก็แน่ใจว่าจะถึงแดนแห่งความสมหวังในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างแน่นอนถ้าไม่ตายเกินในระยะกาลที่ควรจะเป็นนี้ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าการบําเพ็ญภาวนาต่อสู้กับทุกเขเวทนาในคืนนี้ ยังได้ ก, ก่อให้เกิดความรู้แปลกๆที่ไม่เคยรู้มา ก, ก่อนปรากฏขึ้นมากมายทั้งประเภทถอดถอนกิเลสอาสวะและความรู้พิเศษด้วยอภิญญาจิตตามวิสัยวัฒนาบารมีครั้นแล้ววันคืนอันสำคัญก็มาถึงในคืนวันหนึ่งเดึกสังัติพระอาจารย์มั่นนั่งสมาธิภาวนาอยู่ชายภูเขาที่มีพหลานหินกว้างขวางเปลียนโล่ง อากาศปวดโปรง่งเย็นสบายมีต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้มตั้งอยู่โดดเดียวต่างกวดกันน้ำค้างและฝนพระอาจารย์มั่นนั่งสมาธิอยู่ณที่นี้มาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วสิบของท่านสัมผัสรับรู้อยู่กับปัจจัยาการคืออวิชชาปัจจัยสังขาราเป็นต้นเพียงอย่างเดียวทั้งในโดลาเบนจุมครมตอนหัวค่า ทั้งเวลานั่งเข้าที่ภาวนาท่านสนใจพิจารณาในจุดนั้นโดยมีได้สนใจกับหมดทำเอี่ยนใดตั้งหน้าพิจารณาอาวิชชาอย่างเดียวแต่แรกเริ่มนั่งสมาธิภาวนาโดยอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาอยู่ภายในอันเป็นที่รวมแห่งภพชาติที่เหลกตัญหามีอวิชชาเป็นตัวการเริ่มต่สองชุ่ม ที่ออกจากทางสังคมแล้วเป็นต้นไปตอนนี้ท่านว่าเป็นตอนสำคัญมากในการครบของท่านระหว่างมหาสติมหาปัญญาอันเป็นอาวุธข่มกล้าที่ทันสมัยกับอวิชชาซึ่งเป็นฆ่าศึกที่เคยทรงความฉลาดในเชิงหลบเหล็กอาวุธอย่างว่องไวแล้วกลับโตตอบให้อีกฝ่ายแพ้แพ้ยับเยินไม่เป็นท่า แล้วครองตำแหน่งจักรพรร ด, ดิราชวัตจจักรบนหัวใจจัดโลกตลอดมาและตลอดไปชั่วอมนันตการไม่มีใครกล้าต่อสู้กับฝีมือได้ประมาณตีสามคืนนั้นการยึดสงครามระหว่างพระอาจารย์มั่นและเจ้าจักรพรร ด, ดิราชวัตเจจักอย่างทรหดในรถละผลปรากฏว่าฝ่ายจักรพรร ด, ดิราชวัตจักรถูกสังหารถูกทำลายบันลัง ลงอย่างสิ้นนากขาดศูนย์โดยสิ้นเชิงสิ้นฤทธิ์สิ้นอำนาจสิ้นความฉลาดทั้งมวลที่จะครองอำนาจอยู่เหนือใจท่านต่อไปได้อีกคณะสกภัทอะวิชาดับชาติขาดพบลงไปแล้วคณะนั้นเหมือนโลกกะาะทากดันไหวเสียงจากโลกทิพย์ประกาศก้องสาทุกการสะเทือนกระทานไปทั่วภิพพวาสิธพระตถาคตปรากฏขึ้นในโลกอีกองหนึ่งแล้ว เสียงจากโลกทิศทั้งหลายแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นสุขใจกับท่านอย่างกึกก้องเป็นเสียงที่ท่านได้รู้เห็นเพียงลําพันตนเองชาวโลกมนุษย์ทั้งหลายคงไม่มีโอกาสได้รับทราบด้วยเพราะการบรรลุธรรมวิเศษในพระพุทธศาสนาย่อมเกินวิสัยมนุษย์บุตรชมจะยังรู้ได้ปุตรชนย่อมจะเพลิดเพลิน อยู่กับการแสวงหาความสุขทางโลกอย่างมอมเมามอมไใไปตามวิสัยน้อยคนนักที่ใครจะสนใจทราบว่าทำอันประเสริฐในดวงใจที่เกิดขึ้นในแดนมนุษย์เมื่อตกครุนนี้เกี่ยวข้องกับการวิปริตของบินฟ้าอากาศที่พวกเขาได้ประจักษ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ ผู้ที่จะรู้ได้อย่างถึงนอกจากเทวบุรเทวทิดาแล้วก็เห็นจะมีแต่พระอริยะเจ้าดิการพรนั้นว่าเหตุการณ์ฟ้าดินบันไหวไปทั่วโลกธาตถาเมื่อตะครูน่นี้คือการปรากฏขึ้นของพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งในโลกนั่นแลท่านพระอาจารย์มั่นเล่าต่อไปว่าพอขณะฟ้าดินอาจรจย์กระเทือนโลกธาผ่านไป เหลือแต่ยดที่ทำภายในใจพระอาจารย์มั่นอันเป็นธรรมชาติแท้ซึ่งแผ่ซ่านไปทั่วสัมภางกายและจิตใจแผ่กระจายไปทั่วโลกภพในเวลานั้นทำให้ท่านพระอาจารย์มั่นเกิดความแปลกประหลาดและอาจจะจำตัวเองมากจนไม่สามารถจะบอกใครได้ที่เคยมีเมตตาต่อโลกและผลใจจะอบรมตั้งสอนมุคณนะและประชาชน ม, มาแต่ดั้งเดิม พลันกลับกลายหายศู์ไปหมดทั้งนี้เพราะความเห็นธรรมที่ท่านบนรรลุได้เป็นธรรมละเอียดและอัศจรรย์เป็นสุดยิ่งใของมนุษย์จะรู้เห็นตามได้เป็นธรรมภายในใจที่ท่านรู้ได้เฉพาะตนในขณะนั้นท่านบังเกิดความท้อใจไม่คิดจะต่างสองใครต่อไปคิดแต่จะสวยธรรมอัศจรรย์ในท่ามกลางโลกส ม, มุดแต่ผู้เดียว ใจท่านเวลานั้นหนักไปพังรำพุงรำพันธถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูทรงรู้จริงเห็นจริงและสั่งสอนเรีนในยศัตว์เพื่อบีมุติหลุดพ้นจริงๆไม่มีคำโกหกหลอกลวงแฝงอยู่ในพระโอวาทแม้จะบทเดียวบาทเดียวเลยแล้วพระอาจารย์มั่นก็ก้มกราบไหว้บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีเวลาอิ่พอตลอดคืน จากนั้นก็คิดเมตตาสงสารหมู่ชนเป็นกำลังที่เห็นว่าสุดยิสัยจะสั่งสอนได้โดยถือเอาความบริสุทธิและอัจจั น, นจย์ภายใใจท่านมาเป็นอุปสรรคว่าทมนี้มิจีาธรรมของคนมีเกลเล็จะครองได้เพราะเป็นธรรมขั้นสมบูรณและเอ็ด่อนอัจจันย์พูดไม่ถูกท่านนำไปสั่งสอนใครก็เกรงจะถูกเหล่าว่าว่าท่านเป็นบ้าไปหาเรื่องอะไร มาสั่งสอนกันก็ไม่รู้คนดีๆมีสติสตังอยู่บ้างเขาจะไม่นำเรื่องทานองนี้มาสอนกันท่านพระอาจารย์มั่นเกินไปด้วยความหนักใจเพราะไม่มีใครรู้เห็นทมตามที่ท่านเห็นได้พอจะเป็นพยานให้ท่านได้เกิดกำลังใจในการสั่งสอนท่านรำพึงว่าเราเห็นจะต้องอยู่ไปคนเดียวอย่างนี้อยู่แล้วเนถึงวันตายละกระมัง เกินไปสั่งสอนใครเข้าจะกลายเป็นว่าทำคุณกลับได้โทษโปรดตั์กลับได้บาดเปล่ลาวนี่เป็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกับพระอาจารย์มัน่นคณะทุตท่านบรรลุธรรมขั้นสูงสุดในพระศาสนาใหม่ๆยังไม่ได้คิดให้กว้างขวางออกไปเชื่อมโยงกับแนวทางการอบรมสั่งสอนตามแนวศาสานาธรรมที่พระพุทธเ จ, เจ้าพาดาเนินมา แต่ครั้นในเวลาต่อมาพระอาจารย์มั่นค่อยมีโอกาสได้ทบทวนทมที่รู้เห็นและปฏิปทาเครื่องดำเนินตลอดตัวเองที่รู้เห็นธรรมพิเศษท่านก็รำพึงกับตัวเองว่าเราก็เป็นมนุษย์เดินดินกินผักกินหญ้าเหมือนชาวโลกทั่วๆไปไม่มีอะไรพิเศษแตกต่างกันพอจะเป็นบุคคลพิเศษสามารถอาจรู้เฉพาะผู้เดียว ส่วนผู้อื่นไม่สามารถทั้งที่มีอำนาจวาสนาสามารถรูดได้อาจมีอยู่เป็นจานวนมากจึงเป็นความคิดเห็นที่หยัดยั้งทำลายอำนาจวาสนาของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะความไม่ร อ, อบคอบกว้างขวางซึ่งไม่เป็นธรรมเลยเพราะปฏิปทาเครื่องดาเนินเพื่อมรรคผนิพพานพระพุทธเจ้ามิได้ประทานไล้เฉพาะบุคคลเดียวแต่ประทานได้เพื่อโลกทั้งมวล ทั้งก่อนและหลังกา ร, รเสด็จปรินิพพานผู้ปรารู้มักผลนิพพานตามพระองค์ด้วยปฏิปทาที่ประทานไว้มีจำนวนมหาศาลโดยที่จะนับที่จะประมาณมิได้เฉพาะมีเป็นเราคนเดียวที่กำลังคิดมองข้ามโลกวารายรรมตภาพอยู่เวลานี้เมื่อพิจารณาทบทวนทั้งเหตุและผลทั้งตนและปลายแห่งพระโอวาทของพระพุทธเจ้า ที่ประกาศปฏิปทาทางดำเนินเพื่อมรักเพื่อผ่อนว่าเป็นธรรมสมบูรณ์สุดและควรแกสับโลกทั่วไปไม่ลำเอียงต่อผู้หนึ่งผู้ใดที่ปฏิบัติชอบจึงทำให้พระอาจารย์มั่นเกิดความหวังที่จะคงเคราะห์ผู้อื่นขึ้นมามีความพอใจที่จะอบรมสั่งสอนแก่ผู้มาเกี่ยวข้องอาศัยเท่าที่จะสามารถทั้งสองฝ่าย ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวว่าตอนที่คิดว่าตนไม่มีทางจะสอนคนอื่นให้รู้ตามได้นั้นออกจากเป็นความคิดนอกลู่นอกทางไปบ้างทั้งนี้ก็เพราะว่าขณะที่ท่านบรรลุธรรมขั้นสูงสุดนั้นเป็นธรรมที่นึกไม่ถึงเป็นธรรมที่เกิดใหม่ไม่เคยพบเคยเห็นทั้งทั้งที่ท่านมีธรรมอยู่กับตัวตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้ว ทาที่เกิดใหม่นี้ทำให้ตื่นเต้นและอัศจรรย์เหลือประมาณสุดวิสัยที่จะคาดคะเนหรือเดาให้ถูกกับความเป็นจริงของธรรมชาติจริงๆได้เปรียบไปแล้วเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่แล้วพบเข้ากับความอัศจรรย์ตื่นตาลิงนั่นแลแต่ครั้นเมื่อได้หยุดคิดใช้เวลาค่อยๆรหาเหตุผลแล้วก็จะพบว่า ความมหัศจรรนั้นอยู่ในกรอบของเหตุผลกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั่นเองไม่แปลกประหลาดอะไรเป็นแต่เพียงว่าธรรมะสูงสุดที่ท่านค้นพบด้วยความยากลำบากมาเป็นเวลายาวนานนี้สุดวิสัยที่คนทั่วไปจะรู้ได้ไง่ายๆนั่นแหละจนมาถึงวันขึ้นส4บสี่ค่เดือนสี่หน้าแล้งตกประมาณเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช 2492พระอาจารย์มั่นเริ่มอาพาธและเริ่มลาวัตตะสงสารอาการเริ่มแรกมีไข้และไอผสมกันเล็กน้อยต่อมาอาการไข้ก็กำเริบไปทั้งวันทั้งคืนบรรดาสิ์ทั้งหลายต่างก็ถวายหยุกยาให้ท่านฉันแต่พระอาจารย์มั่นท่านไม่ยอมฉันท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวว่าเวลานี้อาตมาอายุจะเป็น80ปีแล้ว อาการป่วยไข้ครั้งนี้เป็นไข้คนเท่าแชร์แก่ชราธรรมดาของโลกถึงเวลาที่สังขารร่างกายของอาตมาจะหมดสิ้นการสืดต่อใดๆแล้วเมื่อสามปีก่อนอาตมาเคยบอกไว้ว่าอายุแปสิบปีชราสังขารจากโลกนี้ไปบัดนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปแล้วขอให้ทุกคนอย่าได้เศร้าตกเสียใจอะไรเลยหยุดยาขนานไหน สมารตอัตมมาก็ไม่มีทางหายหรอกมีแต่ฟืนสำหรับเผาถอนนั้นจะเข้ากันได้อย่างสนิทกับสังขารอัตมมาเดือนนี้อัตมมาก็เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ยืนต้นตายไม่มีใครที่จะเอาน้ำมารดให้ไม้แกนกลับจเจริญ ง, งอกงามมีรากมีใบอ่อนผลิดอกออกช่อขึ้นมาได้อีกรอบจงอย่าพากันพยายาม ที่จะให้หยุดยารักษาอัตมาเลยเดี๋ยวเวลาเปล่าๆแต่เมื่อลูกติดลูกหากรั บ, บ, บร้าวบิงบอลขอให้ท่านฉันหยุดยาเสียบ้างจะได้หายจากโรคภัยมีอายุยืนยาวออกไปอีกเพื่อโปรดลูกติดลูกหาไปอีกนานๆท่านพระอาจารย์มั่นทนรบเร้าบิงวอลไม่ไหวก็จำใจฉันหยุดยาเล็กน้อยพอเป็นพิธีไม่ให้ทุกคนเสียใจนก บัดท่านทอดอะไรในสังขารเกินไปข่าวพระอาจารย์มันอาภาษ์กระจายไปถึงไหนใครทราบก็รีบรุดมานมัส ก, การด้วยความเป็นห่วงทั้งพระทั้งครวดจากทุกทิศ ท, ทุกทางสำนักของท่านที่บ้านหนองผือตำบลนานในอำเภอพรนานิคมจังหวัดสกลนครนี้เป็นทิ่นอยู่ในหุบเขาห่างไกลจากถนนใหญ่ ประมาณหกร้ยเส้นการสัญจรไปมาลำบากทั้งหน้าแลงหนาฝนถึงกรังนั้นก็ปรากฏว่าทั้งพระทั้งครวดต่างพากานหลังไหลมาเยี่ยนนรตรการดูอาการป่วยของท่านอย่างไม่ขาดสายคนเฒ่าคนแก่ที่เดินไม่ไหวก็ว่าจ้างล็อกเกียนนั่งเข้าไปพอออกพรรษาแล้วบรรดาพระ และครูบอาจารย์ที่จะมรรษาอยู่ในที่ต่างๆก็ทยอยกันมากราบเยื่อนและรรนิบัติท่านมากขึ้นเป็นลำดับอาการป่วยไข้ไดือโรคชราของท่านก็หนักเข้าทุกวันท่านได้บอกกับทุกคนว่าท่านจะตายแน่แล้วไม่อยากตายที่นี่เพราะที่นี่เป็นบ้านป่าบ้านดงชาวบ้านจะเดือดร้อน้วยว่าไม่มีตลาดจับใจซื้อขายข้าวของ เมื่อไม่มีตลาดก็จะพากันฆ่าสัตว์เช่นเป็ดไก่หมูบัวควายกันเป็นการใหญ่เพื่อเอาเนาื้อสัดเหล่านั้นมาทำบุญถวายพระในงานศพของท่านซึ่งแทนที่จะเป็นการทำบุญก็กลับเป็นการทำบาครั้งใหญ่หลวงพระอาจารย์มัน่นกล่าวต่อไปว่านับตั้งแต่ท่านได้บวชเรียนมาไม่เคยคิดจะให้ตัดทั้งหลายได้รับพรมลำบาก เบื่ดพร้อมถึงแก่ชีวิตเลยมีแต่ความเมตตาแข็งสาร่ทุกเวลาได้แผนน่เมตตาจิตสุทิศส่วุสลนให้แก่กัดทั้งหลายไม่เลือกหน้าโดยไม่มีประมาณตลอดมาครั้นเวลาท่านจะตายลงไปจะยอมให้กัดทั้งหลายถูกฆ่าตายไม่ได้ขอให้พาท่านเข้าไปในจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเมืองใหญ่ท่านต้องการจะละสังขารที่นเมือง เพราะในเมืองใหญ่มีตลาดอยู่แล้วมีการค้าขายข้าวปลาอาหารเหลือเฟือเป็นปกติอยู่ทุกวี่ทุกวันเมื่อท่านตายลงไปผู้ที่ศรัทธาารพนับถือในตัวท่านสามารถจะหาซื้อข้าวลาอาหารในตลาดมาทําบุญให้ท่านได้อย่างสะดวกใจโดยไม่ต้องไปลงมือฆ่าตัดตัดชีวิตเอาเนื้อสัตว์มาทําบุญถวายพระให้ลําบากเป็นเวรภัย เนื่อเป็นความปรารถนาของพระอาจา ร, รย์มั่นเช่นนั้นลูกติดทุกหาคณะศัพทาชาวบ้านก็ปฏิบัติตามไม่อาจขัดใจทำได้จึงได้นำท่านออกจากวัดบ้านหนองผือเดินทางมายังสกลนครโดยอาราธนาท่านขึ้นนอนบนแคร่แล้วหามออกมาไม่ยอมให้นั่งล็อกเวียนหรือพาหนะาใดๆเพราะทางเป็นหลุมเป็นบ่อครุขระมาก เรนว่าจะกระทบกระเทือนสังขารของท่านให้กุดหนักลงไปอีกพอมาถึงปากทุ่งนาที่เป็นถนนหนทางดีหน่อยจึงอาราธนาท่านขึ้นรถยนต์ซึ่งแขวงกาทางสกลนครส่งมารับท่านสามคันเพื่อรับท่านและคณะสามุูกิตเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและเดินทางเข้าถึงสกลนครเวลาเที่ยงวันพอดีเข้าพักที่วัดป่าสุทาวาศ ขณะนั้นท่านยังหลับอยู่และหลับไปจนถึงเที่ยงคืนจึงเริ่มตื่นขึ้นอาการไข้ของท่านเริ่มจุดหนักเห็นได้ชัดตอนนี้เองท่านเริ่มตั้งสติในเบื้องต้นด้วยการนอนในท่าสีหสหยยากคือนอนตะแคงข้างขวาเพื่อเตรียมลาขันคือพระราหาเวปัญจักขำทาอันเป็นกองมหานตุกทุกในโลกขณะนั้นเป็นเวลาดึกสงัด ดิเวศ บ, บังเรมใจบรรดาครูบาอาจารย์ที่เคยเป็นลูกศิษย์มีท่านเจ้คุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรเป็นต้นทยอยกันมาที่กุติท่านพระอาจารย์มัน่นเบื่อาการรีบร้อนไม่ได้ข่าวจากพระเนมที่รีบไปแช้งอาการให้ทราบการนั่งดูอาการของพระอาจารย์มัน่นนั่งดูเป็นสามแถวแถวแรกเป็นพระผู้ใหญ่แถวที่สองเป็นพระอาจารย์ อันดับรองลงมาแถวที่สามเป็นคณะสามเณรต่างนั่งพนมเมือนนิ่งด้วยอาการสงบตาจับจ้องมองดูอาการพระอาจารย์มั่นแนวนิ่งเพื่อจะประทับภาพอันเป็นวรระดับขันของท่านไว้ติดตาติตใจไม่รู้เลิมพระอาจารย์มั่นลาขันลาโลกไปด้วยอาการอันสงบเมื่อเวลาตีสองยสิบสามนาที ของวันที่สองพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2492รวมสิริอายุได้80ปีบริบูรณ์พอรุ่งเช้าทั้งพระผู้ใหญ่ทั้งข้าราชการทุกแผนกในจังหวัดสกนลนครเมื่อทราบข่าวการมรณภาพของท่านพระอาจารย์มั่นต่างกระเรียดหลั่งไหลมากราบเยี่ยมศพและปรึกษาหารือกิจการเกี่ยวกับศพท่าน ว่าจะจัดการอย่างไรจึ่งจะเหมาะสมและเป็นการถวายเกียตรติโดยควรแก่ฐานะของท่านซึ่งเป็นพระอาจารย์สมถะยิปตนาองค์สำคัญที่ประชาชนต่างเคารพเรื่อมใส่ศรัทธาทั่วทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านจึงตกลงกันนำข่าวมรณภาพของท่านไปออกข่าววิทยุและหนังสือพิมพ์แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ ปรากฏว่าเมื่อขาวแพร่ออกไปประชาชนและคณะพระเนรถังไล้และไกลต่างพา ก, กันหลั่งไหลมากราบเยื่ยนศพท่านทุกวันไม่ได้ขาดนับเป็นจํานวนเรือนเหมือนเทือนแสนมืดฟ้ามัวดินไปหมดหิดศพท่านด้านหน้าปิดด้วยกระจกเพื่อผู้มาแต่ไกลล่าช้าจะได้เห็นองค์ท่านได้เต็มตาเต็มใจคณะกรรมการเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะเก็บพบพท่านไว้จนถึงเดือนสามข้างึ้นต้นปีพุทธศักราช2อ9 3าแล้วจึงค่อยถวายชาปน ก, กิจพอจวนถึงวันงานชาปน ก, กิจท่านพระเนรและประชาชนต่างก็หลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางทั้งใกล้และไกลเียนเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับแพบเป็นลมล้มพับรับกันไม่บาดไม่ไหวหาที่พักให้ไม่พอ กับจำนวนคนและจำนวนพระเนนที่มาและวัดต่างๆในจังหวัดก็เต็มไปหมดส่วนประชาชนนั้นพักแน่นโรงแรงทุกแห่งที่พักอยู่ตามทุ่งนาก็มีเป็นหมื่นเป็นกองเกียนขคารวานมาจากถิ่นต่างๆเหมือนงานน้ำมศการพระธาตุพนมไม่มีผิดพระทวดงกรรมฐานที่มาจากป่าจากเขาจำนวนเป็นพันๆรูปนั้นทามกฎ อยู่ในป่ารอบรอบวัดมองเห็นกวดขาวไปทั้งป่าเครื่องทยาทานอาหารที่ประชาชนต่างมีตัทานนำมาสมโพธ์โมทนาขนใสรถยนต์มาจากเังหวัดต่างๆกองเท่าภูเขาลาวกาโดยเฉพาะเข้าสารนับเป็นพันๆกระสอบโรงครัวโรงทานขนาดใหญ่ทำกันทั้งวันทั้งคืนสามคืนสี่วันสำหรับภา้าใรที่ประชาชนคณะตักทานนำมา เพื่อถวายบางสุกุลอุทิศส่กุศลถวายเท่านั้นเป็นจำนวนกองใหญ่ยิ่งกว่ากองผ้าของโรงงานทอผ้าเสียอีกงานนี้ทําพิธีเปิดมีกำหนดสามคืนสี่วันเริ่มตั้งแต่วันขึ้นสิบค่ำเดือนสาและถวายเพลงิงเวลาหกทุ่มในคืนวันนั้นส3บสามค่ำผู้คนในขณะนั้นแออัดเยียดยัดบริเวณงาน คั้นหนึ่งจะล้นแผ่นดินขยับตัวแทบไม่ได้เมรที่บรรจุศพสร้างขึ้นในบริเวณที่มีพระอุโบสถอยู่ในเวลานี้สร้างเป็นเจตุรมุกมีลวดลา ย, ยสวยนางามมากท้องฟ้าขณะนั้นเดือดหนาพระจางสว่างนวลปราศจากเมฆอากาศหนาเวเยือกเย็นครั้นเมื่อถึงเวลาถวายเพลงิงทันใดก็เกิดเหตุมาจัรน ปรากฏมีเมฆขาวก้อนหนึ่งลอยละเรียวมาในเบื้องอากาศและหยุดนิ่งอยู่เหนือเมนท่ามกลางสายตาของผู้คนในพิธีงานนับหมื่นๆคนครั้นแล้วเมฆขาวก้อนนั้นก็โปรยปรายละองฝนตกลงมาต้องกระทบร่างกายผู้คนให้เย็นชัำพร้อมๆกับเปลวไฟเหนๆเมนได้ลุกขึ้นเผาสังขารของถ้ำพระอาจารย์มั่นละองฝน คอยปลายอยู่ถึง15้านาทีเมฆขาวประหลัดก้อนนั้นจึงค่อยๆลอยจากไปช้าๆเดือนหายไปทำกลางความสว่างสวัยแห่งแสงเดือนงงายเหตุการณ์ประหลดัดมาชะจย์นี้พระเนรและประชาชนทั้งหลายภายในงานพิธีวันนั้นต่างก็ได้เห็นเป็นประจักษ์โดยทั่วกันและไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าไม่จริงการถวายเศพ ไม่ได้ใช้ธานหรือปืนตามปกติหากถวายดื่มไม้จันที่มีกลิ่นหอมที่คณะปัดทาจากประเทศลาวจัดถวายผสมด้วยถูบหอมเป็นเชื้อเพลิงนับแต่คณะถวายเพลิงจนถึงเวลาเกิบอัติได้มีคณะกรรมการทั้งพระและาาคารวะคอยเฝ้าดูแลและกดขันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อป้องกันประชาชนผู้เคารพเรื่องสายศรัทธา ถึงขนาดเข้ายึแยงอัตติและเท่าอังคาราธาติด้วยความเผลอสติอัติพระอาจารย์มั่นได้ถูกคณะกรรมการแบ่งแจกไปตามจังบัตดต่างๆที่มีผู้มาในงานเพื่อ น, นำไปเป็นสมบัติส่วนกลางโดยมอบไปกับพระที่มาในงานในานามของตังหนั้นๆเชิญไปบรรจุไปในสถานที่ต่างๆตามจะเห็นสมควรส่วนประชาชนก็แจกเหมือนกัน แต่คนมากต่อมากการแจกจึงไม่ทั่วถึงอัฐิที่แจกไปประมาณยี่สิบจังหวัดคณะกรรมการเห็นใจประชาชนที่เคารพเลื่วมใสศรัทธาพระอาจารย์มั่นที่ไม่ได้รับแจกอัฐิจึงได้อนุญาตให้ประชาชนเข้าเก็กสวสัดเอาเท่าและทานที่เก็เหลือจากอัฐิที่เก็บแล้วไปสักการะบูชาได้ปรากฏว่าประชาชน ต่างก็แย่งกันเก็บกวามชุลมุนเป็นเกืเ่อนเกลาไม่มีเหลือแม้แต่เศษฝุนยิ่งกว่าบริเวณ น, นั้นถูกขับถูเจีอยกต่อมาปรากฏว่าอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นที่แจกจ่ายไปยังที่ต่างๆนั้นได้กลายเป็นพระธาตุไปหมดแม้แต่เส้นผมของพระอาจารย์มั่นที่มีผู้เก็บไว้บูชาในที่ต่างๆก็กลายเป็นพระธาตุได้ เช่นเดียวกันกันกบอธัธิของท่านนับเป็นเรื่องอัศจรรย์